บานี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องของโมหะเรือวิชาซึ่งเป็นต้นข้าแห่งกิเลส ท, ทั้งหมด น, นั้นนอกจากแสดงตนออกมาในรูปของอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ ท, ทั้ง4ี่ประการไม่รู้อดีตอนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตและกฎของปฏิจจสมุปบาทแล้ว ยังปรากฏแก่จิตของบุคคลในรูปรักษณ์ต่างๆซึ่งบางครั้งก็ก่อให้เกิดความสับสนไม่เข้าใจในสภาพจิตเช่นนั้นจนถึงกับบางคราวอาจจะมีความรู้สึกว่าจิตใจของตนมีความมั่นคงสงบเป็นอุเบกขาเป็นต้นการตรวจสอบดูจิตในสายนี้จึงต้องมองดั่งถึงลักษณะ ของโมหะที่ปรากฏต่อจิตซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยลำดับคือความเคลือบแคลงสงสัยในคุณของพระัฒนาัยในศีลสมาธิปัญญาและเป็นความสงสัยในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจจัยาการเช่นเดียวกับความไม่รู้ยิ่งไปกว่านั้นยังแสดงออกมาในรูปของความฟุ้งซ่านสายไปแห่งจิตจิตไม่อาจกาหนดทิศทาง ของความคิดได้ว่าได้ย่งลงในจุดใจเมื่อมีความฟุ้งซ่านแผ่ไปมากจะมีโทสะเข้าแทรกซึมจิตที่เรียกว่ากุกุจะคือรำคาญงดงิตสภาพจิตของบุคคลที่มีโมหะเข้ายึดครองจะเป็นยึดครองช่วงยาวหรือช่วงสั้นก็ตามจะมีอาการปรากฏขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือความกระด้างของจิตใจ ในกรณีที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เป็นกุศลไม่ว่าจะจากแหล่งใดก็ตามจิตใจจะมีความกระดังในกุศลนธรรมเหล่านั้นลนักษณะเหล่านี้ดูแล้วคล้ายๆกับความไม่ยินดีไม่ยินไร้ในอารมณ์ทั้งหลายแต่เมื่อสวจสอบเจาะลึกลงไปจะพบว่าถ้าเป็นเรื่องของบาปเรื่องของกุศลเรื่องของการเดียดเบียนประทุสร้ายกันจิตกราบชื่นชมยิน ด, ดีในเรื่องเหล่านั้น ซึ่งหมายความวาอาการเหล่านั้นไม่ใช่อาการของอุเบกขาเพื่ออาการของความไม่ยินดียินไรแต่จริงแล้วเป็นอาการของโมหะซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆบางคราวก็มีความชื่อชาในกุศลได้ธรรมทั้งหลายแม้มีคนอื่นเขาประพฤติปฏิบัติกระทาความดีกันก็ไม่พร้อมที่จะแสดงมุติตา คือพลอยชื่นชมยินดีในการกระทำดีของบุคคลนั้นก็ดูแล้วก็ลักษณะคล้ายครึงกันกับความไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเบียดเบียนความริษยาตลอดถึงความรุนแรงต่างๆจิตกลับไปรับอารมณ์เหล่า น, นั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าแม้อาการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของโมฆะเหมือนกัน โมหะที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นจะปรากฏออกมาอีกสองลักษณะลักษณะแรกคือเป็นความยึดถือในสิ่งต่างๆโดยปราศจากปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณซึ่งก็หมายความว่าความยึดถืออันใดก็ตามในเรื่องใดก็ตามถ้าเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพินิจพิจารณโดยท่องแท้แน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นความดีงามเป็นประโยชน์เกือกกเก้อกูลแก่ตนและเกื้อกูลแก่บุคคลอื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะของกุศลธรรมบุคคลมีจิตใจยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาการของปัญญาแทนที่จะเป็นอาการของโมหะดังนั้นฝากตรงกันข้ามของความคิดที่ยึดอิดในสิ่งต่างๆโดยปราศจากปัญญาจึงเป็นภาคแข่งกุศลธรรมการที่บุคคลยึดมั่นในกุศลธรรมทั้งหลาย มีความยินดีพอใจเพลิดเพลินชื่นชมในการให้ทานในการรักษาศีลในการประพฤติปฏิบัติธรรมะมีความเชื่ออันอยังลงมั่นคงในคุณของพรัตตนาไตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามบทที่สวดกันนั่นเองแล้วก็มีจิตยึดมั่นอยู่ในพระคุณเหล่านั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระหัรศัตรูดีสั ต, ร, ส ต, ร, สตรูชอบด้วยปรุงเองอย่างแท้จริงแม้จะมีคนคัดค้านแม้จะมีคนทวงติงแม้จะมีเอกสารหลักฐานต่างๆมาพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาบุคคลประเภทที่มีความเชื่อมั่นอันอย่าลงลืนเช่นนี้ก็จะไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันด้วยปัญญาที่มันเกิดขึ้นภายในจิตพร้อมที่จะชี้แจงยกเหตุผลหลักฐานต่างๆ หักลางคำพูดหรือความเชื่อถือของบุคคลเราอื่นได้และแม้แต่ความยึดมั่นในพระพุทธคุณข้ออื่นพระธรมะรมคุณทั้งหลายและพระสงฆคุณทั้งหลายตลอดถึงกุศลและธรรมทั้งหลายที่มีความยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วให้ผลเป็นทุกข์ที่นี้เป็นความดีให้ผลเป็นสุขก็เป็นเรื่องของความยึดถือแต่เป็นความยึดถือที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาพิจารณาประจักษ์แก่ใจของตนเองแล้วว่า สิ่งใดที่พระพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นโทษแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งนั้นก็เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างจริงๆก็มีความเชื่อมัน่นมีความยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่นั้นไม่ยอมที่จะประพฤติธปฏิบัติเพราะมองเห็นโทษคือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในสิ่งนั้นๆและการยึดถือในกุศลธรรมทั้งหลายโดยมีความเชื่อมัน่นอันอย่างยืนอย่างแท้ทจริงว่านี้เป็นกุศล อำนวยผลเป็นความสุขเป็นประโยชน์มีการเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นลนักษณะเหล่านี้แท้จริงก็เป็นอาการยึดเหมือนกันแต่เป็นความยึดความถือด้วยอํานาจของปัญญาผ่านการการานกรองการพินิจพิจารณาโดยท่องแท้แล้วแล้วก็มีความเชื่อมั่นไม่บานไลาในเรื่องเหล่านั้นความเชื่อมั่นในแนวนี้จะบังเกิดขึ้นจนประฏิสถานมั่นคงอยู่ภายในจิตใจของตนกลายเป็นองค์กุลของ พระโสดาบันนำบุคคลคือความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในประธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์เชื่อมั่นในตรจิคาอันเป็นความไม่หวั่นวอดของจิตใจคือจิตจะไม่ตกไปในฝ่ายของอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วจะในกรณีได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับกุศลจิตใจแทนที่จะกระดั้งก็กลับรับกุศลธรรมเหล่านั้นทุกลักษณะบางคราวบางคราวก็เป็นการรับได้รอบตัว ่อลายทราบเรื่องราวที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายจิตก็จะเกิดอนุโมทนาปิติขึ้นแทนที่จะจืดจุดเย็นชาต่อกุศลธรรมทั้งหลายลบุคคลสามารถวควบคุมจิตใจของตอนเองให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่ตนพรงประสงค์และมองเห็นว่าการที่จิตมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวเช่นนั้นอำนวยความสุขความสงบให้เกิดขึ้นสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจ ก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นอยู่นอกวิสัยของสติปัญญาของประสาทสัมผัสของคุณธรรมภายในจิตแห่งตนแต่ก็พร้อมที่จะเทียบเคียงสอดแทรกกับหลักที่เป็นพระพุทธวจนะเมื่อทราบว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว้อย่างนี้ก็รู้จักประมาณตัวเองว่าพระพุมีพระเจ้าเป็นผู้ศัสรูเราไม่ได้ศัรุปรุงรู้ธรรมะเหล่านี้ด้วยการศัรูของพระองค์ รงทรงแสดงไว้อย่างไรก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นจิตใจของบุคคลก็จะอดต่อกุศลธรรมโนม้มน้อมเข้าหากุศลธรรมแต่ว่าลักษณะของการยึดจิตที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิพิจนารณานั้นเช็นความเชื่อถือในรูปที่งมงายไร้เหตุผลไม่ยุติโดยเหตุผ ล, ผลและความดีทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นความยึดจิตที่ปราศจากปัญญาการเข้าใจว่าบาป สามารถล้างกันได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามด้วยอำนาจภายนอกก็ตามหรือ แ, แรงอธิษฐานของตนก็ตาม ถ, ถ้าหากว่าบุคคลในใช้ปัญญาไปนิพนพิจารณาแล้วก็อาจจะเทียบเคียงในส่วนอื่นว่าแต่ก็าสามารถมีการล้างบาปได้ในลักษณะนั้นจริงๆคนเราก็ไม่น่าจะต้องอาบน้ำอาบท่าอะไรไม่ต้องซักผ้าอะไรก็อธิษฐานไว้สะอาดเฉยไม่ต้องสูญ เ, เสียเวลาไปเพื่อการนี้ เราไม่สามารถอธิษฐานในร่างกายสะอาดโดยไม่ต้องอาบน้ําได้บุคคลก็ไม่สามารถที่จะอธิษฐานหรือสารภาพให้บาปหมดไปได้จากจิตใจนี่ก็คืออาศัยการใช้ปัญญาพิณิพิ จ, จนาสิ่งต่างๆที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์และไปะยึดมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถ้าขาดปัญญาเป็นเครื่องพิณิพิ จ, จนาแล้วจะเป็นอาการของโมหะทั้งหมดแม้นิทานบุคคลที่ท่านแสดงไว้ถึงสหายสคนที่ว่ากันว่า ไปเพื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติแล้วคนทั้งสองนั้นได้พบเชือกป่านก็เอาเปล่าเชือกป่านไปด้วยกันแต่เมื่อเดินไปพบผ้าป่านคนหนึ่งก็ทิ้งทิ้งเชือกป่านแล้เอาผ้าป่านแล้วก็พบผ้าก็ทิ้งผ้าป่านแล้วเอาผ้าเดินกันไปโดยลําดับจนถึงกับพบทองในที่สุดแล้วก็ทิ้งเงินซึ่งตนถือมาแต่ก่อนแล้วก็เอาทองกลับบ้านไปแต่คนหนึ่งนั้นคงแบกเชือกป่านอยู่ตั้งแต่ต้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะเหล่านี้คื อ, อาการของโมหะที่มืดทึบเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลโดยไม่จําแนกให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ตนสแสวงหานั้นคืออะไรสแสวงหาไปเพื่ออะไรสแสวงหาไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรและสิ่งที่จะได้ประโยชน์เหมือนกันนั้นอะไรได้ประโยชน์มากกว่าระหว่างมากกว่าด้วยการอะไรได้ประโยชน์มากที่สุดจึงสามารถคือค้อกูลแก่ตนเองในครอบครัวได้เมื่อมีการพิจารณาเทียบเคียงกันในลักษณะนั้นในที่สุดก็ประสบความ เสื่อมจากญาติมิตรทรัพย์สมบัติที่ตนพึงจะได้กลับไปสู่บ้านก็ไม่เป็นที่ชื่นชมยินดีของครอบครัวของญาติสนิทมิสหายซึ่งทรงกันข้ามกับบุคคลที่เปลี่ยนไปเรื่อยโดยการเทียบเคียงพินิจพิจารณาระหว่างของสองสิ่งอยู่ตลอดเมื่อตอนจะเป็นจะต้องเลือกจะต้องพบไปเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็เลือกเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งลักษณะเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วไปในวิถีชีวิตของบุคคลทั้งหลาย ในกรณีของความเชื่อถือในเรื่องต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความเชื่อถือบางอย่างซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจนั้นอาจจะเพราะความอ่อนในด้านความรู้ความกระใจในธรรมะแล้วก็ไปยึ์ถือในสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่เมื่อได้มีการศึกษาเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรที่มีคุณค่ากว่าอะไรแล้วไม่ยอมผ่อนคลายความยึดติดในเรื่องเหล่านั้นก็เป็นอาการของโมหะลักษณะของโมหะ ที่ครอบงำจิตใจในลักษณะนี้บางครั้งบา ง, บางคราวก็ออกมาในรูปของสิ่งที่เราเรียกว่าศีลวัตรคือข้อปฏิบัติที่บุคคลเข้าใจมีการกําหนดหมายมีความเชื่อมั่นจนกลายเป็นความยึดติดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นโดยจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเป็นต้นนั้นมีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นด้วยการขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาบางครั้งก็มีโมหะมาก เช่นปริพอาชีวกสองคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าซึงหลักการปฏิบัติของท่านทั้งสองซึ่งมีความจุดถือกันสำหรับบุคคลในยุคนั้นว่าเป็นทางแห่งความหมดจุดนั่นก็คือการบาเพ็ญเพียรในลักษณะลอกเลียนการใช้เดียบ ท, ทุกอย่างแบบสุนักกับแบบโครเรียกโดยภาษาบาลีว่าโคขวัตแในสุนัขวัตเมื่อมากราบทูลถามพระพุทธเจ้า แล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่น่าจะตอบเพราะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนใจผู้ฟังพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอย่าถามเราเลยท่านก็พยายามอ้อนบอนขอร้องให้ตอบให้ได้พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าคนที่บำเพ็ญสุนัขวัดเมื่อตายไปแล้วก็ต้องบังเกิดเป็นสุนัขก็มีจิตใจชื่นชมยินดีในภาวะในความเป็นแห่งสุนัขคนที่ประพฤติวัดปฏิบัติแบบโคก็จะเกิดเป็นโค พระใจมีความชื่นชมยินดีในภาวะของความเป็นโคงซึ่งก็ตรงตามหลักกฎเกณฑ์ของกรรมที่ทรงแสดงไว้คือจิตมีความชื่นชมยินดีพอใจในเรื่องอะไรมีความฝังใจปักใจอยู่มากไอสิ่งนั้นจะเกิดมาเป็นกรรมมารมเป็นนิมิตารมเป็นกตินิมิตารมคือเป็นการกระทําของตนเป็นเครื่องหมายแห่งการกระทําแล้วก็บอกกล่าวถึงกติที่ตนจะต้องอุบัติไปแต่ว่าท่าทั้งสองนั้น การที่ท่านอุตสาหมาถามพระพุทธเจ้าก็ดีการที่พยายามอ้อนวอนให้พระพุทธเจ้าทรงสุ ด, ดงก็ดีนั้นเป็นการเชียวเห็นถึงความไม่มั่นใจแล้วในสิ่งที่เคยยึดถือว่าจะเป็นความถูกต้องดีงามเพราะทดลองประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลานานก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอันเป็นการฉายแสงแห่งปัญญาขึ้นภายในจิตของท่านท่านก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวท่านเองได้ จุดออกวดในพระพุทธศาสนาและก็บรรลุอรหัตด้วยความเพียรพยายามของตนเองนี่คือผ่อนคลายไปได้แล้วแต่วความยึดติดบางอย่างนั้นพึงเห็นว่าอย่างกัณอาจารย์เจ้าลทัทธิในสมัยพุทธกาลมีอยู่หลายท่านเช่นท่านสัญชัยเวรัตบุตรก็ดีท่านปุรณะกัรสปะก็ดีนั้นก็มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นอรหันตสมาสมุทธ h สัสรุดีสัสรุชอบด้วยพระองค์เองจริง แต่ว่าสถานะของท่านนั้นไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นธามาแห่งลาบสการะชื่อเสียงเทเกติคุณต่างๆแม้คนอื่นจะไปสู่พุทธสํานักกันแต่ท่านก็ไม่ยอมไปทั้งๆที่อาการของโมหะก็ไม่มากรุนแรงแต่เพราะความโลคความยืดใหญ่ความอาันไลในลาบสการะทำไมยังถือว่าขาดปัญญาเป็นเรื่องเปนนิพิจนาเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นแท้จริงแล้วเป็นสมบัติของโลก เป็นการกําหนดหมายขึ้นอยู่กับการกรําหนดหมายของคงของผลเท่านั้นลาวสการะชื่อเสียงเป็นเพียงมายาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากอะไรก็ได้แล้วบางทีก็จากการกระทําชั่วก็ได้โดยท้ําไปแจะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรและไม่สามารถที่จะนําพาติดตัวไปตนไปได้ในสัมปรายะภพเมื่อท่านไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ท่านก็ยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเป็นความยึดมั่นโดยขาดปัญญาเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงแบ่งแยก ว่าระหว่าสิ่งสองสิ่งนั้นอะไรเป็นประโยชน์มากกว่ากันตาั้งที่ยอมรับสิ่งหนึ่งคือว่าเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าใจก็ไม่อาจจะคลายจากความยึดถือในลักษณะเหล่านั้นเราซึ่งอาการเช่นนี้เป็นอาการสืบเนื่องของโงหะหรือประการแรกเป็นการยึดถือโดยปราศจากปัญญาประการที่2เป็นอาการรูปคร่ำแห่งจิตทีคือชื่นชมยินดีในความเห็นของตนแล้วก็ ติดอยู่กับความเห็นเหล่านั้นไม่ยอมผ่อนคลายคือยอมตายกับความเห็นเหล่านั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนี่คือการของโมหะที่ยังราดได้ลึกเนื่องจากมีการสะสมไว้ในชีวิตประจำวันเป็นนานมากจึงมีการถูกต้องรูปครามเริ่มหน้าทิฏฐิตั้งหลายที่ท่านเรียกว่ า, รราศีลปตประมาทคือมีลักษณะฉาบฉวยเป็นการถูกต้องเป็นการรูปครามด้วยความคิดความเห็นของตน แต่ก็ไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงส่วนลึกแห่งความคิดความเห็นเหล่านั้นว่าโดยเนื้อหาสาระที่แท้จริงแล้วมีสาระแก่นสารไหมหรือว่าไม่มีสาระแก่นสารในกรณีที่มีสาระแก่นสารด้วยกันก็ต้องเทียบเคียงว่าอะไรมีสาระแก่นสารมากกว่าอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้แม้แก่พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็คือความยึดติดที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณา ที่พูดกันในสำนวนปัจจุบันว่ายุติดในรูปแบบต้องสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งนั้นจะต้องทำอย่างนี้เท่านั้นไม่ทำอย่างอื่นไม่ได้เป็นต้นแม้แต่ว่าการนั่งกรรมฐานในการปฏิบัติกรรมฐานที่ประพฤติปฏิบัติกันโดยรูปแบบที่นั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านั้นเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงแก่ผู้ปฏิบัติสมถกรมมกรมฐานประเภทอนาปานาสติเป็นหลัก เ, เกี่ยวกับการกำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งอารมณ์ที่ทรงแสดงไว้อีก39ข้อนั้นแท้จริงแล้วจะอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ได้ปฏิบัติอย่างไรก็ได้ข้อสำคัญว่าต้องมีสติระลึกอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นประการสำคัญที่สุดธรรมะที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติก็คือสติสมชาญญาและความเพียรที่จดจออ่อหยดกับอารมณ์เรานั้นอย่างในการ ปฏิบัติในสัมปชัญญปะปปะคือหมวดด้วยว่าการใช้สัมปชัญญะคือความรู้ทุกขณะของความเคลื่อนไหวแห่งริยาบททางหลายจะเคลื่อนไหวมือเท้าหรือร่างกายก็ตามมีสติระลึกรู้เท่าทันหมายความว่ากรรมฐานในลักษณะนั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้นั่งในรถก็ปฏิบัติได้แม้แต่นอนอยู่ในที่นอนก็ปฏิบัติได้รับประทานอาหารก็ปฏิบัติได้ไม่ได้เจาะจงว่าต้องนั่งอย่างเดียวแล้วต้องหลับตาอย่างเดียวแต่ว่า ในการปฏิบัติถ้าหลับตาก็เป็นความดีข้อสาคัญว่าอย่าไปยึดติดว่าต้องหลับตาเท่านั้นถ้ามาหลับตาไม่ได้มีกรรมฐานเป็นนั้นมากไม่จําเป็นอะไรเลยที่จะต้องหลับตาเช่นพวกกสินก็ต้องเพ่งพินิษดูกสินเหล่านั้นในชั้นแรกก็เป็นการลืมตาไปก่อนเพราะถ้าไม่ลืมตาก็ดูกสินไม่เห็นแต่ก็มีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยที่มีการยึดติดว่าจิตจะสงบด้วยภาวนาพุโทโธเท่านั้นหรือยุบหนอพองเนอเท่านั้นหรือสมะอรางเท่านั้นนั่นเป็นเรื่องของความเห็นผิด ที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพิงนิจพิจารณาชั้นที่พินิจขึ้นมาคือแต่ดูแล้วไม่ไม่ค่อยจะมีอันตรายอะไรเท่าไหร่แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมาฐานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้สดครองกิจฤทธิตอัตยาสายของคนเป็นพื้นก็เรามีจริตอัตยาสายแตกต่างกันการทำใจให้สงบนั้นไม่จําเป็นจะต้องใช้อารมณ์เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายจะต้องเหมือนกันคือจิตใจสงบสงบจากอะไรสงบจากนิวรณ์และทำทางห้าประการ การปฏิบัติในแนวใดก็ตามวิธีใดก็ตามก็ให้เกิดผลเป็นความสามารถสงบนิวรณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้การปฏิบัติเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งแน่นอนนึกเกินไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเหมือนกันวิธีปฏิบัตินั้นเป็นเพียงรูปแบบที่หลากหลายไปตามพื้นเพอัตยาศัยของบุคคลทั้งหลายเท่านั้นใครได้อะไรที่เรียกว่าสปายะคือเป็นธรรมะสปายะสมับตนก็ปฏิบัติกรร ม, มาฐานข้อนั้น แล้เมื่อเกิดความสงบขึ้นก็จะกลายเป็นความสงบที่เหมือนกันคือสงบนิวรันได้เหมือนกันแต่ในการปฏิบัติที่ได้เน้นอนาปานสติกันมากนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งึไม่ได้หมายความมายึดติดในเรื่องเหล่านั้นแต่เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเองทรงรู้ถึงพื้นเพออัตญาสายัยอินซีผลแห่งวิบากกรรมของบุคคลเหล่านั้นตลอดพื้นฐานแห่งความสงบที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายก่อนแล้ว จึงสอนธรรมะเพื่อสอดคล้องกับจริตอัตยาสัยของคนแต่มาในชั้นหลังบุคคลที่มียานเช่นนั้นไม่มีในการตรวจสอบดูพื้นเพอัตยาสัยของบุคคลจนสามารถวางธรรมะได้เหมาะเจาะนั้นมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแม้แต่สาวกระดับพระสารีบุตรก็ยังทําไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงอนาปานสติกรรมฐานเอาไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอนาปาณสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เจาะจงเอาเรื่องความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือคิดพ่านไปของบุคคลทั้งหลายหรือหมกมุ่นบุ่นวายอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งถึงลักษณะจริตทั้งหลายแม้จะจําแนกเป็น6กดีเป็น4ี่ก็ดีก็มีแนวอย่างนั้นคนบางคนอาจจะชอบคิดถึงเรื่องที่รักใคร่พอใจปรารถนายินดีมากคนบางคนอาจจะชิดคิดถึงเรื่องที่ตนไม่ชอบอยู่มาก คนบางคนอาจจะมีลักษณะเมื่อมื่ลอยซึ่งซึมไม่มั่นใจในอารมณ์อย่ังใดอย่างหนึ่งคนบางคนอาจจะคิดเรื่องที่ตนปักใจมีความศรัทธาอยู่มากคนบางคนอาจจะคิดในเรื่องที่ตนชอบจะวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในเรื่องเหล่านั้นคนบางคนอาจจะคิดฟุ้งซ่านแต่สรุปแล้วก็เป็นเรื่องของความคิดซึ่งจะคิดแต่แนวไหนก็ตามก็คือคิดเมื่อคิดอน า, าปานสติเป็นกรรมฐานสําหรับแก้กความคิดแล้ว เมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วก็เดินไปสดครองกับอัธยาศัยของผลพระแสดงไว้ในแนวที่เป็นบันไดคือขึ้นไปเป็นขั้นๆั้นเป็นบันไดรวมกันแล้วสิบหกขั้นด้วยกันเมื่อสิบหกขั้นมันก็กลายเป็นกลายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมไปเลยคนอาจจะไม่ถูกกระจริตในตอนต้นแต่จะไปถูกกระจริตในตอนต่อไปเพราะสดครองครอบคลุมจริตทั้งปวงเอาไว้ ในขณะเดียวกันสําหรับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติได้รับผลในด้านนี้ก็ต้องไม่ยึดติดว่าด้านนี้เท่านั้นจะได้ผลด้านอื่ไม่ได้ผลคือเป็นการได้ผลสําหรับเราแต่ไม่จําเป็นจะต้องได้ผลสําหรับบุคคลอื่นบุคคลอื่นอาจจะอ้อมเข้ามาจากจุดอื่นอาจจะเจริญพุทธานุสติอาจจะเจริญก่นสินอาจจะเจริญ อ, อาเรปฏิบุรสัญญาหรือว่ามรณสติเป็นต้นแล้วว่าทำอย่างไรก็ตามที่เป็นเทศให้นิวรธรรมทั้ง5ประการสงบระ ง, งับไป การปฏิบัติเช่นนั้นชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องแต่ถ้ายังมีการยึดติดดู่ผึงสังเกตว่าบางครั้งบางคราวก็ยึดติดเอาในชั้นใดชั้นหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งแห่งการประพฤติปฏิบัติาดูแล้วก็ไม่ค่อยเสียหายอะไรมากมายนักแต่ชั้นของการขาจัดโมหะแล้วยังถือว่าเป็นการเสียหายดังนั้นบางครั้งบางคราวทรงแส ด, แดงธรรมะในลักษณะที่เป็นญาณภาณะสมบัตอาศัยท่งต่อกันไปเป็นทอดๆ บุคคลขึ้นยานภาณะหนึ่งเดินทางไปถึงจุดหนึ่งถ้ายังยึดติดอยู่ในยานภาณะนั้นไม่ยอมลุกขึ้นไม่ยอมขยับเคยืย่อนไปัก็ไปได้ถึงแค่นั้นได้ความสุขได้ประโยชน์ในระดับนั้นแต่ถ้าจะเดินต่อไปก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไปแม้จะมีความชื่นชมยินดีอะไรเสียดายังไงก็ตามก็ต้องทิ้งไปนี่คือขั้นตอนแห่งการปฏริบัติจะเห็นได้ว่าอาการของโมหะ ที่ปรากฏในรูปของวิจิกิจานั้นก็เริ่มละได้ตั้งแต่ประโสดาวันแล้วที่ปรากฏในรูปของพุงสั้นนั้นแม้แต่พระนาคามียังละไม่ได้อาการชื่อชาในกุศลทั้งหลายคือถินามิท่านั้นก็ต้องผ่านเป็นพระยาบุคคลไปแต่ในกรณีของความยึดติดแม้แต่ท่านที่ได้ชาแล้วก็ยังเอาไม่ได้คือจะมีการยึดติดอยู่ในจุดหนึ่งเพราะอาศัยกําหนดความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็ได้ อาจจะกำหนดปิติก็ได้หรืออาจจะกำหนดเอกะกะตาคือจิตที่มีสงบเป็นอันเดียวก็ได้และกำหนดหมายว่า น, นี่คือที่สุดแล้วเป็นเหตุให้หยุดความเพียรพยายามก็กลายเป็นอาการของโมหะในจุดหนึ่งระดับหนึ่งแน่นอนท่านเหล่านั้นได้ผ่านขั้นตอนแห่งการปรุพฤติปฏิบัติมาม า, มากแล้วอความสุขในทิฏฐธรรมนั้ น, ท, นท่านต้องได้แม้ในสัมปราคพบปุจการภายหน้าตลอดถึงชาติหน้าท่านก็ต้องได้ แต่เมื่อมองจากจุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คืออาการยึดติดทำไมจึงเป็นความติดเพราะโมหะนั้นจะคุ้มหอจิตใจของบุคคลเรื่อยไปจน้นท้ายคำบาลีว่าโมหะสัมบันธโนโลโกโลกอันโมหะคุ้มหอไว้บางคราวพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นอุปมาเห็นว่าคนเรานั้นเหมือนลูกไก่ยอยู่ในฟองไข่ฟองไข่ที่คุ้มเปลือกไข่ที่คุ้มไข่เอาไว้ข้างในนั้นก็คือวิชา องเองจึงเป็นพี่ใหญ่ของโลกเรียกว่าโลกกระเชคือเป็นพี่ใหญ่ของสัตว์โลกเพราะทําลายกระเปาะฟองออกมาได้ก่อนเท่านั้นเองแต่การทําลายกระเป๋ะฟองได้อย่างเด็ดขาดนั้นจะต้องถึงจุดสูงสุดทีเดียวแต่ว่าการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสตร์นั้นนั้นก็ไม่ได้เชื่อว่าคนทุกคนจะไปถึงอย่างนั้นแต่พยายามให้บุคคลได้ใช้ปัญญาในแต่ละจุดแก้ไขเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะ จึงเกิดอาการชื่อชาขึ้นมาเกิดอาการกระด้างในกุศลขึ้นมาก็วิเคราะห์ตรวจสอบจิตประจิตของตนเวลานี้เป็นยังไงไปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอาการอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็แยกไม่ออกก็ต้องเพิ่มปริมาณของปัญญาเจาะลงไปเห็นชัดอาจจะด้วยอาศัยปริยัติหรืออาจจะอ า, อาศัยการพิจารณาก็ตามแล้วก็ผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านั้นสร้างความยืดชื่ น, น, นชมยินดีในกุศลให้บางเกิดขึ้นเมื่อมีอาการชื่อชา มีาการเฉยเมยต่อกุศลก็ต้องพิจารณาเห็นว่านั่นเป็นอาการผิดปกติของจิตก็แก้อารมณ์เหล่านั้นที่ปรากฏในขณะนั้นออกไปซึ่งสำนวนเหล่านี้นั้นใช้คําว่าเป็นการส ง, งบจิตได้ในแต่ละขณะคือก็จัดมนทินของใจไปได้ในแต่ละขณะแต่ในแง่ของการบรรลุผลสัมผัสผลก็คือสิ่งที่เรียกว่าททชังกาวิมุต คืจิตดุดพ้นด้วยอำนาจกิเลสในขณะนั้นๆในองค์นั้นๆขอให้เกิดผลดเป็นความสุขความส ง, งบแก่บุคคลที่เรียกว่าสันติติการนิพพานังคือเป็นความดับกิเลสที่เราเห็นได้ไปจัดแก่ใจของตนในกรณีที่เกิดความฟุ้งซ่านสัส่ยไปก็คุมจิตให้ส ง, งบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในกรณีก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นภายในใจ ถ้าหากว่าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องมีหลักยึดเหนี่ยวที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือยทีบเคียงสอบทานกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในกรณีของความยึดถือต่างๆนั้นแล้วก็ น, นี้จะเห็นได้ว่าลื้นฐานของจิตบุคคลทั้งหลายในโลกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าคนโง่ที่ไม่รู้ตัวว่าโ ง, ง่นั้นคือบรมะโง่แต่คนโง่ที่รู้ตัววางง่าโง่นั้นโอกาสจะเป็นคนฉลาดได้ปัญหาสําคัญอยู่ที่การวิเคราะห์จิตว่าสิ่งที่ยึดติดอยู่นั้นผิดหรือถูก ถ้าว่าเป็นความยึดติดที่ผิดก็ทายถอนความยึดติดเหล่านั้นไม่เป็นการเสียหายอะไรโอกาสข้างหน้ายังมีอีกมากแต่ถ้าไม่ยอมวิเคราะห์หรือเป็นการยึดถือว่าอย่างนี้ท่านั้นเองถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วไม่ผ่อนคลายก็กลายเป็นโมหะสองระดับมีความเข้มข้นสูงขึ้นคือนอกจากยึดติดด้วยปราศจากปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วยังเป็นการรูปคลำอยู่กับทิฏฐิเหล่านั้นไม่ยอมผ่อนคลายคือ ยอมตายกับทิฏฐิเหล่านั้นซึ่งก็เป็นอาการที่หนักและรุนแรงภายในจิตใจดังนั้นการวิเคราะห์ตรวจสอบจิตให้เห็นความมีโมหะและไม่มีโมหะในแต่ละขณะของการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นธรรมะที่ควรกระทำบำเพ็ญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขความส ง, งบความสว่างภายในจิตใจแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความส ง, งบสืบต่อไป